ตอนที่22กระแสสังคมเมื่อปีใหม่มาถึงต้าอาวี๋ก็ได้ก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดในอดีตและเริ่มใช้ปีรัชสกใหม่ว่าหย่งชางยังเป็นทางการเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตาวิริก้าวเข้าสู่การปกครองของห้องเติ้งใหม่อย่างเต็มตัว เพราะว่าห้องเต้งใหม่ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นกลับเสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันด้วยนี้ส่งผลกระทบต่อศูนย์กลางอำนาจอย่างใหญ่หลวงจนเกิดขึ้นใต้น้ำสะอาดไปทั่วทุกสารทิศแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในขาสายแต่ในที่สุดต้าวีก็ได้ต้อนรับจั ก, กรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์ทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแต่มีคนจำนวนมากเกินไปที่มองข้ามจุดหนึ่งไปนั่นคือห้องเติ้งใหม่ผู้เริ่มสร้างชื่อเสียงมาตั้งแต่รัชสมัยไทจูและไ ท, จ, ะทจงนั้นนแแแทท้้จจรรรรริงรงงงงงลลวววคคออใใะเเป็าาาามมมหัขษฎกยยพีด อวีตูในฐานะเมืองหลวงของต้าอาวีที่นี่มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคนถือเป็นมหานครอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่วังวีและราชาสำนักเริ่มจะก้าวพ้นจากความโศกเศร้าแต่อวีตูทั้งภายในและภายนอกกลับยังคงจมดิ่งอยู่ในความเงียบงนันแห่งการไวอไร้อาลัยทว่าเมื่อเกิดฟ้าร้องกลางฤดูหนาวอาวีตูที่เคยถูกกดทับไว้ก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปจากวันวานตามปลอกซอกซอยเริ่มมีเสียงวิภากควิจารต่างๆนานาเกิดขึ้น ฟ้าร้องกลางฤดูหนาวนี่ไม่ใช่ลางดีเลยนะเมื่อคืนเสียงฟ้าร้องน่านทำเอาใจข้าสั่นไปหมดหรือว่าในราชสำนักจะเกิดเรื่องใหญ่โตอะไรขึ้นจนเบื้อบนต้องส่งสัญญาณเตือนลงมาเจ้ายังไม่รู้หรือต้าอวีมีจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์แล้วได้ยินว่าเป็นพระโอรสองค์ที่เจ็ที่เกิดจากสนมของจักรพรรดิเวิรนแท้จงอายุแค่แปดขบเองจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมสํานักจงซูและสํานักเหมือนเสียถึงยังไม่มีประกาศออกมาละแปดขบน่านมันยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยไม่ใช่หรือ ทำไมถึงเลือกเด็กน้อยมาเป็นจักรพัทผู้สื่อราชสันติวงศ์ล่ะเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะตามกฎมทียบาลและจะรีบประเพณีราชวงศ์เราต้องตั้งบุตรเอกหากไร้บุตรเอกให้ตั้งบุตรคนโตไม่ใช่หรือเด็กน้อยอายุแปดขวบคนนี้กลับได้เป็นจักรพัทผู้สื่อพระราชสันติวงศ์เกรงว่าเรื่องนี้จะมีเงื่อนงํานะไม่ใช่แค่มีเงื่อนงำหรอกเมื่อคืนทางด้านวังวีและนครจักรพันธิพวกเจ้าไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเลยหรือเห็นอะไรแสงไฟไงล่ะ ต้องเกิดไฟไม่แน่ แ, นแต่วังวี่และนครจักรพันธิคุ้มกันแน่นหนาเพียงใดแถมตอนนี้ยังอยู่ในช่วงงานพระบอนศพแต่อยู่ๆกลับเกิดไฟไม่พวกเจ้าไม่รู้สึกว่ามันแปลกหรือที่เขตทงฮว่าซึ่งอยู่ใกล้กับนครจักรพันธิบนถนนสายหลักมีผู้คนสวมชุดไว้ทุกมาชุมนุมกันไม่น้อยพวกเขาปรึกษาหารือกันด้วยเสียงเบาแต่ยิ่งคุยกันไปเสียงก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ ทั่วทุกแห่งในเขตทงหัวขาวโพลนไปได้วยชุดวทุกีมะที่หยุดตกไปเมื่อคืนกลับมาตกอีกครั้งในยามรุ่งสางสีขาวที่มองไปไม่เห็นจุดสิ้นสุดทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความอ้างว้างอย่างรุนแรงตามกฎของต้าอาวี๋เมื่อตาสิงห้องเต้เสด็จสวรรคตรทั่วประเทศต้องสั่งห้ามการแต่งงานห้ามการดื้อเริงห้ามเรื่องระหว่างชายหญิงระยะเวลาคือสามเดือนหากในช่วงเวลานี้มีผู้ใดกล้าฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักโดยไม่มีข้อยกเว้นในท้องถิ่นอื่นกฎเกณฑ์นี้อาจจะไม่เข้มงวดนัก แต่ในเมืองหลวงของต้าอวีนั้นเข้มงวดมากเพราะอย่างไรเสียก็อยู่แทบเบื้องพระยุคนบาทใครจะกล้าท้าทายอำนาจดังนั้นการค้าขายมากมายในตลาดจึงต้องหยุดชะงักลงอาจจะมีลอดทํากันเป็นการส่วนตัวบ้างแต่ห้ามทําประเจิดประเจอดใครกล้าฝ่าฝืนต่อให้มีคนหนุนหลังอยู่ข้างหลังแต่คนของกรมตรวจการก็ไม่ใช่พวกไร้น้ายา เดิมทีผู้คนในอวีตูจำนวนมากต่างเฝ้ารอให้ปีใหม่มาถึงเร็วๆ เ, เพื่อจะได้กลับมาสนุกสนานกันอีกครั้งเพราะการไว้อะไรงานพระบรมศพของจักรพัฒดเหวินไทจงจะสิ้นสุดลงเมื่อปีใหม่ใกล้เข้ามาแต่ใครจะไปคาดคิดหลักว่ายังใช้ชีวิตสำราญได้ไม่กี่วันห้องเติ้งใหม่ก็เสด็จสวรรคตตามไปอีกเรื่องตลกนี้มันช่างรุนแรงเกินไปจริงๆท่านแม่ทับ ในขณะที่คนกลุ่มนี้กำลังสนทนากันอย่างเผ็ดร้อนพวกเขากลับไม่สังเกตเห็นว่ามีกลุ่มคนเดินเข้ามาหาันชิงที่เพิ่งออกเวรและกำลังขี่ม้ากลับจวนขมวดคิ้วมองภาพตรงหน้าสีหน้าดูย่แย่เป็นอย่างยิ่งหลังจากออกจากนาครจากพันดิเดินไปตามถนนจูเชวาและเตรียมจะตัดผ่านถนนสายหลักของเขตสันเหอเพื่อกลับจวนหันชิงกลับได้ยินเสียงวิาพากวิจารบางอย่างระหว่างทางเรื่องนี้ทำให้เขาละทิ้งความคิดที่จะกลับจวนและเริ่มวงเวียนไปตามเขตสันเหอแทน ทว่าสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินตลอดทางกลับทำให้จิตใจของฮันชิงหนักอึ้งยิ่งขึ้นเมื่อคืนตําหนักต้าซิงเกิดไฟไม่ฟ้าร้องกลางฤดูหนาวกรมราศาสาตร์เกิดเพลิงไม่อย่งไม่คาดคิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนี้ทำให้อวีตู้เปลี่ยนไปจากเดิมโดยเฉพาะอย่างยิง่งภายใต้เสียงซุบซิบเหล่านี้หานชิงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับจักรพรรดิผู้สื่อรชาชสันติวงศ์ซึ่งนอกจากจะทําให้เขารู้สึกกังวลแล้วยังทําให้เขาเกิดความระแวดระวังขึ้นมาด้วย ชูหลิงพระโอรสองค์ที่7็ของจักรพรรดิเวินเท่จงที่มีอายุเพียง8ดขวบได้เป็นจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ในฐานะรุ่ยอองเรื่องนี้ราชองการสมตำหนักได้ประกาศออกมาแล้วแต่เรื่องนี้จำกัดอยู่เพียงภายในวังวี่และนครจักรพันธิเท่านั้นสำหรับอวีตูและใต้ล่ายังไม่มีการประกาศราชองการอย่างเป็นทางการออกมาแม้แต่สามตำหนักยังใช้วิธีการต่างๆสั่งกำชับให้ราชสำนักห้ามแพร่พลายเรื่องนี้ ตามข้อมูลที่หานชิงทราบการประกาศราชาองการจั ก, กรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์อย่างเป็นทางการนั้นจะต้องรอจนถึงวันถัดจากพิธีเส้นไหว้หน้าลงงศพลวงของต้าสิงหองเต้โดยให้สำนักจงซูและสำนักเหมินเซียเป็นผู้ประกาศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีบรมราชาพิเศษที่จะตามมา แต่เมื่อคืนเกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากมายสำนักจงซูและสำนักเหมือนเสียต่างก็วุ่นวายจนทำอะไรไม่ถูกอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายสวีชูอัคราสนาบดีฝ่ายขวาหวางรุย่ยและผิงจางเจิ้งซื่อฉีเซิงพร้อมด้วยเหล่าขุนนางคนสำคัญต่างก็ถูกสามตําหนักเรียกตัวเข้าวังไปแล้วราชโองการยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่ในอวีตูกลับมีข่าวลือเช่นนี้แล้วมีคนต้องการโหมกระพือกระแสะสังคม เมื่อนึกถึงเรื่องเหล่านี้หานชิงก็ได้ข้อสรุปในใจจนกระทั่งทหารคนสนิทข้างกายตะโกนเรียกหานชิงก็ไม่ได้ใส่ใจเลยหรือจะพูดให้ถูกก็คือหานชิงมีเรื่องที่ต้องกังวลมากกว่าท่านแม่ทัพมีคนล่อติดตามเราอยู่ขอรับแต่หานชิงไม่ใส่ใจทหารคนสนิทกลับใส่ใจมากเมื่อเห็นท่านแม่ทัพของตนไม่พูดจาหัวหน้าทหารคนสนิทจึงขี่ม้าเข้าไปใกล้ด้วยความระแวดระวังแล้วกระสิทบกับหานชิงหืมคราวนี้หานชิงถึงได้สติกลับมามีอย่างน้อยสามกลุ่มขอรับ หัวหน้าทหารคนสนิทกล่าวต่อกลุ่มหนึ่งตามมาตั้งแต่ตอนออกจากนครจักรพรรดิอีกกลุ่มแอบตามมาในเขตสั้นเหอและยังมีอีกกลุ่มกลับนครจักรพรรดิทว่าหัวหน้าทหารคนสนิทยังพูดไม่ทันจบพันชิงก็กระชากบังเหียนมา้ากลับหัวม้ามุ่งหน้าไปยังถนนจูเชว่าทันทีเรื่องนี้ทําให้ทหารคนสนิทซ้ายขวาต่างตกใจไปตามๆกันจะว่าไปแล้วหวังวี่และนครจักรพรรดิเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ในฐานะแม่ทัพใหญ่จิ้นจวินต่อให้ถึงเวลาออกเวรแล้วแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็ไม่ควรละทิ้งหน้าที่ เดิมทีหานชิงก็ทําเช่นนั้นแต่ทว่าราชเสานาธิจตําหนักช้างชิวกลับทําให้หานชิงต้องออกจากวงตอนนี้หานชิงไม่กลับจวนแต่จะกลับนครจากพันดิจะไม่ให้ทหารในสังกัดตกใจได้อย่างไรท่านแม่ทัพท่านจะกลับนครจากพันดิเกรงว่าหัวหน้าทหารคนสนิทรีบขี่ม้าตามไปสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลพยายามเคลื่อกล่อมหานชิงเปินโหจะกลับไปที่ที่ทําการไม่ได้จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในวังเรื่องนี้มีปัญหาอะไรหรือ ฮันชิงมีสายตาเฉียบคมเขามองชายผู้นั้นแวบหนึ่งคําพูดที่กล่าวออกมาทําให้หัวหน้าทหารคนสนิทถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่การล่วงละเมิดกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมหัวหน้าทหารคนสนิทคิดในใจจากนั้นก็ไม่คิดเรื่องอื่นอีกรีบตามติดอยู่ข้างกายหันชิงมุ่งหน้าไปยังถนนจูเชว่าและการเปลี่ยนทิศทางของกลุ่มหันชิงทําให้กลุ่มคนที่ลอบเฝ้าดูอยู่ทั้งสกลุ่มต่างก็ตกใจจากนั้นก็รีบเร่งติดตามไปอย่างรวดเร็ว เพราะว่ากลับไม่มีใครรู้เลยว่านอกจากสามกลุ่มนี้แล้วยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งกําลังเฝ้าดูอยู่เช่นกันเพียงแต่สิ่งที่พวกเขาเฝ้าดูนั้นไม่ใช่พิงชวนโหห่งต้าอาวีแมททับใหญ่จิ้นจวินหานชิงสิ่งที่พวกเขาเฝ้าดูอยู่ก็คือกลุ่มคนที่ล่อติดตามร่องรอยของหานชิงนั่นเองเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้เริ่มเคลื่อนไหวพวกเขาก็หายลับไปในฝูงชนร่องรอยของพวกเขาไม่มีใครสังเกตเห็นได้เลยตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงหานชิงที่ผ่านศึกมาอย่างโชคชนด้วยพวกเขามาจากไหนและจะไปที่ใดเรื่อง น, นี้จะยังคงเป็นความับต่อไป